ตอนจิตที่เปลี่ยนด้วยเมตตาสยบความดุร้ายได้มีสมินอำเภอท่านหนึ่งแม้จะมีตำแหน่งเล็กๆแต่จิตใจนั้นเต็มเปลี่ยมด้วยเมตตาธรรมเป็นคนรักษาระเบียบวินัยของราชการอย่างเคร่งครัดมีความยุติธรรมเป็นที่ตั้งไม่ทําสิ่งใดที่ผิดศีลธรรมส่วนนายอำเภอนั้นเป็นคนดุร้ายอยู่มาวันหนึ่ง แหนอำเภอสั่งเขี่ยนผู้ต้องหาที่ไม่ยอมรับสารภาพตีจนเนื้อแตกเลือดไหลนองพื้นก็ยังไม่หายโกรธสมียนอำเภอทนเห็นความทารุณไม่ไหวจึงคุกเข่าที่หน้าโต๊ะว่าความของนายอำเภอขอให้ปราณีนักโทษหยุดตีเสียทีแหนอำเภอตอบว่าปราณีน่ะได้แต่ผู้ต้องหาคนนี้ไม่รักษากฎหมายไม่มีศีลธรรมจะไม่ให้โ ก, กรธใครได้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 ก็ควรให้โอกาสเขาได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีต่อไปถ้าแสดงความโกรธมากมายเช่นนี้ผู้ต้องหาเกรงอาญาก็จะยอมรับเสียก่อนทั้งทั้งที่ตนไม่ได้กระทําผิดดังที่ถูกกล่าวหาจะไม่เป็นการปรักปรมราษดรไปหรือดีใจก็ยังเป็นการไม่บังควรจะโกรธได้ที่ไหนแนอาเภอสำนึกในคำพูดของสเสมียนอาเภอตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่กลาแสดงความโกรธความดีใจในขณะที่จำรักความอีกเลยสมเด็อำเภอท่านนี้ฐานะยากจนมากเพราะมีแต่เงินเดือนขั้นต่ำไม่เคยขูดรีดราษฎรไม่ยอมรับของกำนันจากใครมีแต่ช่วยเหลือนักโทษวันหนึ่งมีผู้ต้องหาหลายคนที่อดอยากมาตลอดทางจากหัวเมืองไกลหน้าตาซีดเซียวหมดเรี่ยวแรงห า, หาสีเลือดไม่ได้แล้วเป็นที่สังเวชใจยิ่งนัก บังเอิญที่บ้านของเสเมียนอำเภอท่านนี้ข้าวสารก็กำลังจะหมดเหลืออยู่มื้อสุดท้ายเท่านั้นท่านนำมาให้ผู้ตองหาห่านี้แล้วท่านและภรรยาก็ต้องอดข้าวมื้อนั้นด้วยท่านจึงปรึกษากับภรรยาเพื่อให้ภรรยาเป็นผู้ตัดสินใจตกลงทั้งสองคนยอมสละข้าวมื้อนั้นนำมาต้มข้าวต้มเลี้ยงผู้ตองหาทั้งหมดต่อมา